แนะนำบทมารยาทบทมารยาทเป็นบทมักกียามีเก้าสิบปดโกลการมีจุดมุ่งหมายเน้นหนักเรื่องการให้เอกภาพการให้ความบริสุทธิ์ดาลล์ตลอดจนเน้นหนักต่อการศรัทธาต่อวันฟื้นคือจีบและวันแห่งการตอบแทนสาระสําคัญของบทนี้กล่าวถึงเรื่องการศรัทธาล้อและความเป็นเอกภาพของพระองค์ตลอดจนที่แจ้งถึงวิถีทางของบรรดาผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และวิถีทางของผู้ที่หลงผิดบทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีบางท่านริ่มด้วยเรื่องของนบีรักกะริยาและนบียาฮย า, ยาซึ่งอัลละฮ์ทรงประทานบุตรให้แก่รักกะริยาและขณะที่ท่านเข้าสู่วัยชาราและจากพัญญาของท่านซึ่งเป็นมันแต่ละ้นนั้นทรงเดชานุภาพเหลือทุกสิ่งทรงได้ยินการวิงวอนขอของผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากทรงตอบรับการร้องเรียนของผู้โศกเศร้าเสียใจ ดัณฑลอรรจึงทรงตอบรับการมิงบอลขอของท่านและทรงประทานบุตรพี่เฉลียวฉลาดให้แก่ท่านบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องที่น่าประหลาดยิ่งนั่นก็คือเรื่องของนางมารยามผู้บริสุทธิ์และการคลอดบุตรของนางโดยปราศจากบิดาเคล็ดลับของพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งปาฏิหารอันนี้ปรากฏขึ้นด้วยการให้กำเนิดอีสาจากมันดาโดยปราศจากบิดา เพื่อว่าร่องรอยแห่งพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นภาพลักให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่สายตาสแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกาของพระองค์บทนี้ได้เล่าเรื่องของนบีอิบรอฮีมกับบิดาของท่านและได้กล่าวชมเชยยกย่องบร ร, ด, ราบดาศาสน า, าพูตของอัลลอฮ์อิสฮาญะกูมูซาฮารุอิสมาอินอิดรีสและนูดการกล่าวถึงบรรดาศาสนาูตเหล่านี้ ใช้เนื้อที่ถึงสองในสามของบทจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อนเน้นถึงความเป็นเอกภาพแห่งาศาสนะของอัลลอฮ์ทนี้พระาศาสนทูตทั้งมวลได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ไปสู่ความเป็นเอกภาพของอัลลอ์และกจัด ก, การตั้งพาขี่เคียงคู่กับพรุ่บทนี้ได้กล่าวถึงสภาพบางส่วนของวันสิ้นโลก และความน่าสะพรึงกลัวแห่งวันตอบแทนในสภาพบรรดาผู้ฝ่าฝืนดื้อดึงปฏิเสธศรัทธาจะคุกเข่าเรียงรายรอบขุมนรกเพื่อจะถูกโยนใส่เป็นเชื้อเพลิงของนรกชื่อของบทคือบทมรยาถูกตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพื่อจำลึกถึงปาฏิหารนั่นคือการให้กำเนิดมนุษย์ด้วยปราศจากบิดา ทาเที่ยวลอสรงให้ทารกแบบบกพูดได้และปรากฏการที่น่าประหลาดเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกำเนิดของท่านนบนีอิสลาอัลไลฮิสซาด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ รักความเมตตาของพระองค์นี่คือการกล่าวถึงเมตตาธรรมแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่มีต่อจักริยาบ่าวของพระองค์ เมื่อเขาได้วิวงวอนขอต่อพระผู้อนิบาลของเขาด้วยการริงวอนอย่างสมบรอนนีวะอันนีวะกล้ารั้สุชัยบรุษและไม่คุณด้วยกรบบชเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อริบาลของฉันแท้จริงกระดูกของฉันอ่อนแล้วและศีรษะก็มีงอกแล้ว และไม่เคยปรากฏเลยว่าการยิงบอรของฉันต่อพระองค์ท่านนั้นไร้ผลโอ้พระผู้ิบาลของฉันินและแถ้จริงฉันกลัวลูกหลานของฉันภายหลังจากที่ฉันตายไป และทัญยาของฉันก็เป็นมันด้วยดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดประธานทายาทที่ดีจากพระองค์แก่ฉันด้วยเถิดผู้ซึ่งจะสืบทายาทแทนฉันและสืบทายาทจากตระกูลญาติพและขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาเป็นที่โปรดปรานด้วยเถิดโอ ยาัรีย์อินน้าุบรุบิลามิอิสมูยยานของลลัฮมินั ا, ي ي ى อูสักรียาถ้าแท้จริงเราจะแจ้งข่าวดีแก่เจ้าซึ่งลูกชายคนหนึ่งชื่อของเขาคือยาหยาเราไม่เคยตั้งที่ผู้ใดมา ก, ก่อน เขาจะตรียากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉันฉันจะมีลูกได้อย่างไวในเมื่อพันยาของฉันเป็นมันและฉันก็ได้บรรลุสู่วัยแก่ชราแล้ว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 เขารักกริยากล่าวว่าโอ้พระผู้อินบานของฉันขอพระองค์ทรงโปรดให้มีสัญญาณแก่ฉันด้วยพระองค์ตรัสว่าสัญญาณของเจ้าคืออย่าพูดกับผู้คนเป็นเวลาสามคืน ทั้งทงที่เจ้าอยู่ในสภาพที่สมบูริ์แล้วเขาได้ออกจากเมรอกมายังกลุ่มชนของเขาแต่เขาได้ทำสัญญาณแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจงกล่าวสรัดีทั้งในายามเช้า และอย่างยิยายายายคดินคิตาบิกวติวาอาจัยนาหุลฮักมะสบียาโอ้อยายาาเจ้าง จ, จงยึดมั่นต่อคำพี่เต่ารอดอย่างมั่นคุแล้วเราได้ประทานความเฉลิวชลาดให้เขาตั้งแต่เขายังเยาวไว้วะหลานัมมินลดุนาวะแซกาเจ้าวะนค่นคตียา และความน่าสงสารจากเราและความบริสุทธิ์แก่เขาและเขาเป็นผู้อย่างเกรงและเป็นผู้กระทำความดีต่อบิดามารดาของเขาและเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงยะโสเป็นผู้ฝากถึงและความสันติจงมีแด่เขา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 ลแล้วนางได้ชายมา่านกันให้พ้นจากสายตาของพวกเขาแล้วเราได้ส่งวิญญาณของเรายิบโรยินไปอย่างนางแล้วเขาได้จำแลงตนแก่นาน ให้เห็นเป็นชายอย่างสมบูรณ์ท่นานน่ากล่าวว่าแท้จริงท่านขอความคุ้มครองต่อพระผู้ทรงกรุณาปราณีให้ผลจากท่านหากท่านเป็นผู้อยัางเกรง เขาจิบรีนกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นเพียงทูตแห่งพระผู้บานของเธอเพื่อฉันใจลูกชายที่บริสุทธิ์แก่นเานางกล่าวานานาว่าฉันจะมีลูกได้อย่าง ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดมาแต่งต้องฉันเลยและฉันก็ไม่ได้เป็นหญิงชั่วข้อที่บริยภคกล่าวว่ากราะนั้นก็เถอพระผู้ิบาลของเธอตักว่า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 ยังสถานี่ลที่กกลเล่ควนามเสความเจ็บปวดใกล้พอดทาให้นางหลบไปที่โคนต้นอินทผลังนางไม่กล่าวว่าโอ้หากฉันได้ตายไปเสียก่อนหน้านี้ แต่ฉันเป็นคนไร้ค่าถูกลืมเสียก็จะดีดังนั้นเขามาลักได้เรียกนางทางเบื้องล่างของต้นอินทพลังว่าอย่าได้โศกเศร้าเสียใจไปเลยแน่นอน พระผู้วบาลของเธอทรงจัดลำธารไว้เบื้องล่างของเธอแล้วและตรงข้าใหญ่ต้นอินทประลังให้มันเอนมาทางตัวเธอมันจะหล่นลงมาที่ตัวเธอเป็นผลอินทประลังที่สุดนาั่นแหลีวะรบีวคกณรละฉันา ฉะนั้นเธอจงกินจงดื่มและจงทาจิตใจให้เบิกบานเธอหากเธอเห็นผู้ใดก็จงกล่าวว่า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 ถ้าจริงเธอได้นำเรื่องประหลาดมาแล้วยโอ้น้องหญิงของหาพ่อของเธอนม่ได้เป็นชายชั่วและแม่ของเธอก็ไม่ได้เป็นหญิงชด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 แล้ววันที่ท่นถูกให้ฟื้นขึ้นมีชีวิตใหม่นั่นคืออีสาบุกของมารยัทมันเป็นคำพูดที่จริงซึ่งพวกเขายังมีความสงสัยอยู่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 แท้ ه ه จริงอัลลอฮ์คือพระผู้อวยบานของฉันและพระผู้อวยบานของพวกเจ้าแต่นั้นพวกเจ้าจงเคารพพระดีต่อพระองค์เถิดนี่คือทางอันเที่ยงตรง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 ي ي เราจะได้ฟังอย่างชัดและเห็นอย่างชัดอะไรอย่างนั้นวันที่พวกเขาจะมาหาเรา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 และพวกเขาก็ไม่สาั <S <S าย์แท้อินน่ نحن نرد الأفضل ومن عليها وإلينا يرجعون แท้จริงเราอัลลอฮ์เป็นผู้ครอบครองมรดกแห่งแผ่นดินและผู้ที่อยู่บนแผ่นดินและพวกเขาจะถูกนำกลับมาอย่างเราาบอิ ف ร ا ฮีม ا ب إ น ر ا ู ي านะ ه ิดดีกอนนบีย ي จงรำลึกถึงเรื่องของอิบราฮิมที่อยู่ในคัมภีร์แท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นศาสดาและจงรำลึกถึงขณะที่เขากล่าวแก่มิดาของเขาว่าโอ้ oh, พ่อจ๋าทำไมท่านจริงครับบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ได้ยิน และไม่เห็นและไม่ให้ประโยชน์อันใดแก่ท่านเลยโอ้พ่อจ๋าแท้จริงความรู้ได้มีมายัางฉันแล้วซึ่งไม่เคยมีมาอย่างท่าน ดังนั้นจงเชื่อฟังปฏิบัติตามสันเถิดฉันจะ น, นำท่านสู่ทางที่ราบรื่นยโอ้พ่อจา๋าอยา่าเคารพบูชาชัยตอนเปน็นนันขาดแท้จริงชัยตอนนั้นมันดื้อรั้นต่อพระผู้ทรงกรุณา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 ลลอิลลัมเตะเิลนน ض م ن ว ك وهجرني م ل ยาเขาบิดากล่าวว่าเจ้ารังเกียจพระเจ้าทั้งหลายของฉันกระนั้นหรือโออิบรอฮีมเอย๋ยหากเจ้าไม่หยุดยั้ยงจากการตมิแน่นอนฉันจะคว่างเจ้าด้วยก้อนหินและเจ้าจงไปให้พ้นจากฉันเถอด เขาอิบราฮิมกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่ท่านฉันจะขอพยโทษจากพระผู้ิพบารของฉันให้แก่ท่านแท้จริง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 หวังว่าด้วยการยิงมวนขอต่อพระผู้วบากของฉันจะไม่ทำให้ฉันรับความถูกแต่เมา่อั ล, มมลดนนบดยากรลั้งหมดที่เราปรียตัวออกไปจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาอื่นจากอัลลอะแล้ว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 และมัวหมัดจงกล่าวถึงเรื่องของมูซาที่อยู่ในคำพีแพ้จริงเขาเป็นผู้ที่ได้รับการครัดเลือกและเขาเป็นศาสนาทูดเป็นศาสดา และเราได้เรียกร้องเขาจากด้านขวาของผูเขาตรุดและเราได้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพูดกับเขาดยตรงว่าให้ ن َ ا له َุรَุ่เมตินะอัลก้าหูฮารุนนบียา และเราได้ความเมตตาของเราแก่เขาโดยให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นศาสดาและมูฮัมหมัดทรงกล่าวถึงเรื่องของอิสมาอีลที่อยู่ในคำภีดแท้จริงเขาเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อสัญญาและเขาเป็นศาสนทูต เป็นศาาสดาและเขาใช้กลุ่มชนของเขาให้ปฏิบัติละมาดและจ่ายยากาศและเขาไปที่โปรดปราณที่พระผู้อภิบาลของเขา และจงกล่าวถึงเรื่องของอิดริสที่อยู่ในคำพีแท้จริงเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นาศาสลาและเราได้ยกย่องเขาไว้ในตำแหน่งอันสูงส่งและเราได้ยกย่องเมาไวมินตำแหน่ะอันสูงส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 ในเรือกับนัวและจากเชื้อสายของอิบราฮิมและอิสราอลและจากเชื้อสายผู้ที่เราได้ทางนำแต่เราได้คัดเลือกไว้แล้วเมื่อบรรดาองค์การของพระผู้ทรงกรุณาทูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขาจะคววมลงกราบและร้องไห้ฤฤฤ พ้าหลังจากพวกเขาชนชั่วก็ได้สืบช่วงต่อมาพวกเขาได้ละทิ้งละหมาดและปฏิบัติตามความใคร่ต่อมาพวกเขาก็ประสบกับความหมายาเว้นแต่ผู้ขออภัยโทษและสัพธา และกระทํนาความดีชนเหล่านั้นจะได้เข้าสวนสวรรค์โดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความอธรรมแต่อย่างใดสวนสวรรค์อันสถาพรซึ่งพระผู้ทรงกรุณาทรงสัญญากับปวงบ่าวของพระองค์ด้วยความเรินลับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าจริงสัญญาของพระองค์นั้นจะมีมาอย่างแน่นอนพวกเขาจะไม่ได้ยินสิ่งไราสาระในนั้นนอกจากํำทักทายที่เป็นความสันติและสำหรับพวกเขาจะได้รับเครื่องยังชีพของพวกเขาในนั้น ทงาา้งนั่นคือสวนสวรรค์ที่เราได้เป็นมรดกแก่พวงบ่าวของเราที่มีความ ย, ย, ยังาาิกาารง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 และมนุษย์พูดปฏิเสธกล่าวว่าเมื่อฉันตายไปแล้วฉันจะถูกให้ออกมาในสภาพมีชมีวิตจริงหรือเล่ามนุษย์ไม่คิดบ้างหรือว่าแท้จริงเราอัลลอฮ ได้บังเกิดพวกเขามาแต่การก่อนโดยที่เขาไม่ได้เคยเป็นสิ่งใดมา ก, ก่อนเลยดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลาของเจ้าแน่นอนเราจะชุมนุมพวกเขาพร้อมด้วยบรรดาชายตอน แล้วเราจะนำพวกเขาให้มาคุกเข่าอยู่รอบๆบนรถแล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้รทรงกัแมมล้วแน่นอนที่สุดเราจะดึงออกจากทุกๆคณะใครในหมู่พวกเขาที่ดื้อรั้นที่สุดต่อพระผู้ทรงกัณฑ์ แล้วแน่นอนที่สุดเรารู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในนรกวอิมิุมอิลลาวริดฮวอิมิคุมอิลลาวริดฮะและไม่มีผูดด้ใดในหมู่พวกเจ้านอกจากจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปในนั้น มันเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แน่นอนแล้วสำหรับพระผู้อวยพของเจ้าแล้วเราใ้บรรดาผู้ยังเกรงรอดพ้นแล้วเราจะปล่อยบรรดาผู้อารรมคุกเข่าอยู่ในนรกนั้น เมื ah ม่อองค์การทั้งหลายอันแจ่งแจ้งของเราถูกอ่านขึ้นแก่พวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า ฝ่ายใดในสองฝ่ายนี้จะมีฐานะเหนือกว่าและมีเกียรติทางสังคมมากกว่าและกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนพวกเขาโดยที่พวกเขามีสิ่งของเครื่องใช้และรูปร่างดีเลิศ ก, กว่า ล้วนแล้ ا แต่จะต้องได้รั ا การลงโทษอย ع างรุนแ م ง ن ละร้ายแรงอย و างยิ่งแล้วจงกล่าวเถิดผู้ที่อยู่ในความหลงผิดนั้น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 การปฏิเสธการคารมบูชาของพวกเขาและพวกมันจะเป็นปฏิบัติต่อพวกเขาเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ปล่อยให้ชัยตอนมีอำนาจเหนือบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อมันจะได้ยุยแย่เถิดเพื่อมันจะได้ยุ่ยแย่พวกเขา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 เป็นลลและเราได้ไล่ต้อนบรรดาผู้ที่มีความผิดไปยังนรกอย่างสัตว์ที่กระหายน้ำเป็นขุ่นขุ่นพวกเขาไม่มีอำนาจในการช่วยเหลื อ, อนอกจากผู้ที่ได้ทำสัญญาไว้กับพระผู้ทรงกรุณาเท่านั้น และพวกเขายาฮูดและนาซาร์กล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงตั้งพระบุตรขึ้นเพื่อพระอ د ค์แน่นอนที่สุดพวกเจ้าได้นำมาซึ่งสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งใั้งจาสวรรค์แ่มลงจากพืนโลกและขุดเจดีย์บนภูเขา บรร ด, ดาชั้นฟ้าแทบจะพังทลายลงมาและแผ่นดินก็แทบจะถล่มลึกลงไปและบรร ด, ดาขุนเขาก็แทบจะทลายลงมาเป็นสิ่งสิ้ น, รรนที่พวกเขายัดเยียดพระบุตรต่อพระผู้ทรงกรุณ า, า, า, รราดา และไม่เป็นการบังควรแก่พระผู้ทรงกรุณาที่พระองค์จะทรงตั้งพระบุตรขึ้นไม่มีผูดด้ใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมาอย่างพระผู้ทรงกรุณาในฐานะบ่าวคนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ะอนัที่สฮุมแด กงส่งรอบรู้ถึงพวกเขาและส่งนักพวกเขาอย่างผีดพลนไว้แล้วและทุกคนในพวกเขาจะมาอย่างพระองค์ในวันกียามะอย่างโดดเดี่ยวแท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระผู้ทรงกรุณาจะให้ความรับใค ร, ใครแก่พวกเขาแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นภาษาที่ง่ายแก่เจ้า